เพื่อนบิณฑษ์สมณี น, นทั้งหลายญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังวันนี้ก็มาคุยถึงะสูตร์ระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสัยเดิมละไม่ได้นั่นก็หมายความว่าคนทุกคนจะละอกิเลสนั่นละได้แต่นิสัยเดิมละไม่ได้ตัวอย่างเช่นภาษารีบุตร เดิมทีเดียวท่านเคยเป็นลิงต่อมาเป็นอากาาักสาวกเบืองขวาเป็นพระภิสุที่มีความสำคัญมากแต่ว่าจริยาเดิมของลิงก็ไม่อยู่ถึงลำรางตื้นๆหรือว่าํำรางแคบๆพอที่จะย่องไปได้หรือว่าลุยน้ำไปได้แต่ว่าสาิบดไม่ทำอย่างนั้นขัดขเขมรแล้วก็โดดไป เป็นเหตุให้พระทั้งหลายสงสัยว่าทําไมอากาสาวกเบือนขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพิตรเจ้าจึงทําอย่างนั้นต่อมาสมเด็จพระกัลวันก็ทรงตรัสว่านิสัยเดิมของคนทุกค น, นละไม่ได้เกิดกีชก่ชาติกี่ชาติอาการกิริยาที่แสดงเป็นอย่างนั้นเสมอแม้จะเป็นอรันก็ตาม แต่ว่าท่านที่ยะละนิสัยเดิมได้จริงๆก็มีสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าองค์เดียวในเมื่อเป็นสมเด็จพระสัมมาทัพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็ละนิสัยเดิมทุกท่านนะไม่ใช่ทุกคนเหลือแต่พุทธลีลาคือพุทธลีลาในเป็นจริยาของพระเจ้าทุกองค์เหมือนกันหมดสาหรับเรื่องที่จะพูดต่อไปได้แก่พระพุทธเจ้าทรงปรารบอุบาสกห้าคน เรื่องนี้ก็มีมาในพระธรรมบทคุธนิกายภาคที่เจ็ดที่พูดมาหลายวันเป็นเรื่องภาคที่เจ็ดความมียว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เทวตวันทรงปรารบอุบาสกห้าคนจัดธรรมเทศนานิว่านัตถิราคะสโมอัคิเป็นต้น นั่อาจจะว่าแปลเป็นใจความแล้วยังใจความที่พระอานนท์ทรงกล่าวท่ากล่าวว่าได้ยินว่าอุบาสกห้าคนนั้นเป็นผู้ใครต้องคือต้องการจะฟังธรรมไปสู่วิหารที่สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงรทัพก็เรียกว่าเชจา ว, วันมหาวิหารถาวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็นั่งอยู่ที่โคนส่วนข้างหนึ่งเอ่ความดำริมีอยู่ว่ า, าผู้นี้เดีย ว, ว่าเขาก็คิดนะเขาคิดในใจว่เอาตาหนังสือจะฟังยากเขาก็คิดอยู่ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงธรรมให้โยอดยิ่งกว่านี้จะไม่แสดง ทำมันยอดยริงแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็หมายความเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมไม่ได้วัดฐานะของบุคคลใครจเป็นฐานะอย่างไรก็าตามได้เห็นว่าควรจะแสดงธรรมอย่างไงก็แสดงเป็นกลางคลังคือจับจุดจี้ใจของคนที่จะบรรลุมรรคผลนั้นฐานะไม่เกี่ยวที่เกี่ยวอย่างเดียวคือบุญบา ร, รมีเดิมมีขนาดไหน จะรับธรรมะในขนาดไหนเยื่รู้ขนาดไหนได้แสดงเลยรวมความว่าพระพุทธเจ้ามองคนแค่คนไม่ได้มองคนคนรวยมองเป็นเทวดาเรียนนัดสมาบารมีสูงมองเป็นพรหมไม่ใช่อย่างนั้นมองเท่ากันหมดความมียว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตเมื่อจะทรงสแสดงธรรมประรบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย่อมทรงทําความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าหมายความทรงแสดงเวลาจะเทศน์ทางเคารพในธรรมไม่ใช่เคารพในบุคคลและจริงสแสดงนี่ที่เราว่าที่เขากล่าวตามบาลีว่าธโมคโนกาตะโพพราะที่เจ้าทรงตัดว่าตถาคตเองก็มีความเคารพในพระธรรมจึงกล่าวว่าบระหนึ่งเทพเจ้าภูมิดิษบรรดาล ให้น้ำแหนกาศหลังไหลลงอยู่ที่นั้นแม้ถ้ามันบรรยายถ้าแย่เลยแล้วก็บรรดาบัวาอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสํานักเขาองค์สุจทรภิรมีธรรมปุรเจาผู้ผสแสดงธรรมเขานั่งอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับนิหากินในทางหลับแล้วก็คนหนึ่งนั่งเคี่ยเพ่นดินด้วยนิ้วมือ เวลาฟังเทศเด็คนหนึ่งลั่งหลับงกเพราะงั้นดีไม่ได้โกรนครอกขะครอกคนหนึ่งนั่งเอาเนื้อมือเขี่ยดินอีกคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งเ ง, งนหน้าดวงองดวอากาศคนหนึ่งฟังทําด้วยความเคารพนี่ห้าคนทำ ไ, ไม่เหมือนกันแล้วก็ดูในสายเดิมต่อมาพระนอนนเทระ ขณะที่ถวายงานพัดคืนนั่งพัดตั้งแจ่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระเจ้ามองดูกายของบาสุกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าแต่ละคนมีท่าทีท่าทางไม่เหมือนกันยังได้กราบทูลสมเด็จพระพกวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้พักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์ทรงพระองค์ทรงบรรลือสิ้นนาฏ เหมือนกับมหาเมฆคำรนอยู่แสดงวธรรมเทศนาแก่ บ, บาสกทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าว่าอบาสกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพรองค์ตัดพระธรรมเทศนายอยู่นั่งทกรรมอย่างนี้ไม่เหมือนกันพระเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรสมเด็จพระจอมไตรที่ทรงมีพระพุทธติกาแต่ว่าอานันท์ธะดูก่อนอนนท์เธอไม่รู้จักอบาสกทั้งหลายเหล่านั้นหรือ นี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าถามว่าไม่รู้อดีตของเขาหรือแลนอนตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าข่าสมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาถวากกบรรดาบาสกทั้งหลายเหล่านั้นอุนบาสกคนที่นั่งหลับกันแหละเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้ไปเขามีกาเนิดเกิดเป็นงูห้าร้อยชาติ คำว่า ง, งูนี่หมายถึงพญา น, นาคด้วยนะพญา น, นาคเขาถือเป็นงูใหญ่งูต่อมาก็เป็นงูย่อมรองลงมาถ้าเขาเกิดเป็นงูห้าร้อยชาติแล้วเขาพาด ศ, ศีรษะไว้บนขนดที่พญา น, นาคแน่แล้วก็นอนหลับหลับสบายท่านบอกว่าแม้ในบัดนี้ความอิ่มในความหลับของเขาย่อมไม่มี เสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาเห็นไหมพญา น, นาคนื้งูชอบนอนหลับในสายอาดีตเกิดตั้งห้าร้ชาตินิสัยนั้นมันก็ติดมาเกิดมาชาตินี้ยอบชอบนอนหลับดังนคนที่นั่งคุยก็ดีนั่งฟังทำก็ดีคิดในใจหลับง่ายๆนี่พวกนี้เคยเกิดพญา น, นาคหรือพญางูให้ยกย่องให้สูงหน่อยนะอาจจะเป็นเลนงูหลานงูหลานพญานาคเลนพญา น, นาค ก, ก, ก็ได้ พระอนนท์จึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลําดับหรือว่าเป็นตอนตอน <c oughs> นี่ก็หมายความว่าห้าร้อยชาติเนี่ยเขาเป็นพญา น, นาคมาตั้งห้าร้อยชาติหรือว่าเกิดเป็นพญา น, นาคแล้วเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นผีแล้ ว, เ ก, เ, ลวเกิดเป็นสุ น, นัขแล้วเกิดเป็นมา้าแล้วกลับไปเกิดเป็นพญา น, นาคพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนนท์ แท้ที่จริงแม้แต่ว่าอํานาจสัพพัญญุติยานคือว่ายานของพระพุทธเจ้าที่รู้ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> สัพพะเปล่ทั้งปวงอยู่เป็นรูยานยานที่รู้ทุกอย่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะกําหนดได้ว่าความอุมบัติของอุบาสกนั้นอุบัติขึ้นในระหว่างหรือว่าอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ ตามการเวลาความเป็นเทวดาตามการเวลาความเป็นนาคตามการเวลาแต่ถ้าว่าวาสุกนั้นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งนาคทั้งสิ้นห้าร้อยชาตินั้นลำดับโดยลำดับเลยแม้ก็หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับในหมายความว่าพุทธเจ้าบว่าตถาคตก็รู้ไม่ได้เหมือนกัน ที่เกิดเป็นนาคมาดะได้สลับกับคนแล้วไม่สนก็ตามแต่ว่าที่แน่แน่จริงๆเนีเกิดเป็นนาคจริงๆนะห้าร้อยชาติแน่น ะ, นะแล้วก็ต่อไปฝ่ายบริสพ้นนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกําเนิดไส้เดือนสิ้นห้าร้อยชาติโดยนําดับคือติดต่อกันห้าร้อยชาติพยายนนาคก็ติดต่อกันห้าร้ยชาติพะคนนี้ก็เกิดเป็นไส้เดือนห้าร้อยชาติ ไอ้เสเดือยไ้ขุดแผ่นดินแล้วถึงเวลาบัดนี้เป็นนั่งที่ไหนก็กเอามือเขี่ยแผ่นดินเขี่ยไปเขี่ยมาหมายความในการก่อนก็เคยเขี่ยดินไอ้ชาตินี้เขก็เขี่ยต่อไปในในใสายเดิมจำให้ดีนะแล้วก็ต่อไปฉันบอกว่าฝ่ายบรุษที่เข ย, ย่าวต้นไม้คนนี้เคยเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาติโดยลําดับ หมายว่าเรียงเป็นลำดับห้าร้อยชาติเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะสงสัยพวกนี้อาจจะเคยเป็นข่าไส้เดือนหรือฆ่างูฆ่าลิงประวัตเกิดในฐานะเช่นเดียวกันชดใช้กรรมเดิมคนละห้าร้อยชาติอาจจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้วาแต่ผมนึกๆเอา แต่บอกว่าจะถึงบัดนี้เขาก็ น, นิสัยลิงมันก็มีอยู่เขาต้องขยเาต้นไม้ขยเานั่งขยเานี่ตามความเป็นความพอใจท่านบอกว่าเสียงที่เราสแสดงทำเนี่ยทัสามพวกเนี่ยเข้าไมา่ถึงหูเขาพวกเขียก็นั่งเขียกเฉยๆตั้งใจเขียกพวกขยเยาต้นไม้ก็นั่งขยเาต้นไม้แล้วผู้หลับก็หลับแล้วมีคนหนึ่งพรามีคนหนึ่งนั่งเงนหน้า มองดูอากาศอยู่ท่านบอกว่าสมัยก่อนเขาเกิดเป็นหมอดูคือหมอดูยกเมฆหมอยกเมฆเวลาจะโดห้องแหงนหน้าดูเมฆเพ่งเอาจิตเพ่งเมฆเก็บรายกดกระจิตเขาของเขาไปรูปนั่นรูปนี้แล้วก็พยากรณ์เจ้นั้นในชาตินี้เวลาที่จะนั่งที่ไหนก็ตามก็กำเบ่งมองลอยมองสงูงอยู่เสมอแต่ว่า ต่นนี้ก็ไม่กันเสียงเทพพุทเจ้าไม่เข้าหูเขาเพราะติดเข้าไปสมาธิตราการเหันดูไม่มีผลในการฟังธรรมส่วนพรามีคนหนึ่งตั้งใจฟังโดยความเคารพถ้าบราพรามคนนี้ใะใช่ก่อนเป็นผู้เรียนบนคือจบไตรเพศแล้วก็ถึงฟังเหงเวทสามคือไตรเพศเ่เขาจบชิ้นห้าร้อยชาติ คือเป็นนักปราศในเรื่องของพรามจบไตรเพศศึกษาจบหลักสูตรตั้งห้าร้อยชาติตามลำดับติดต่อกันถึงบัดนี้ย่อมฟังทำโดยความเคารพเป็นดังเทียบเท่ามนเหมือ น, นกับเวลาจจเจริญมนของเขาหนังสือทั้นหล่อยุงศัพ์ของท่านมนได้ก็เอาหนังสือมาอ่านหนังสือมาอ่านในแหมสั์ไม่เคยลงกันรกับสมัยปัจจุบัน พระนนทนีกล่าบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นเข้าไปตรวเย่ยกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าก็ทรงจัดพระอานาันทะธาดูก่อนอนนนท์ เออเห็นจะทำความสำคัญว่าทำของเราอันบุคคลฟังได้โดยง่ายกันมัง้งนี่ฟังให้ดีนะเวลาทำพระพุทธเจ้านี่คนฟังน่ะไม่ง่ายเลยคือไม่ไม่ได้ฟังง่ายทุกคน น, นเวลาันเพ่นพิโสสมนีงระยญายติโยมพุธบริษัทเวลาอภิปทาของเราไปพูดจะไปนึกว่าเขาเข้าใจทุกคนนะ่ะฟังให้ดูพระพุทธเจ้าไหวนี้เพ่งกล่าวว่าอนนท์ ท่านโนนกล่าวว่าข้าแต่พระองค์จเจริญก็ทำของพระองค์อันบุคคลที่ฟังฟังแล้วไม่ยากหรือว่าฟังยากพระเจ้าค่ะแต่ความจริงพระนนท่า น, น ฟ, ฟังเทศจบเดียวท่านเป็นปัสสดาบันแต่ท่านที่ฟังเทศจบเดียวเป็นปะโสาดาสิกิทาคานาคารหันนี่เยอะฟังง่ายพวกนี้แต่ผู้ที่ฟังยากมีอยู่ฟังต่อไปเนี่ยผมก็พูดซึ่งเลยเวลาจะได้ สำเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วอนนุนฟังเทศของเราฟังยากท่านนท์ถามว่าพระเหตุใดพระเจ้าข่าพระผู้มีคือพระพุทธเจา้าตรัสว่าอ น, า น, านัอนทะโดโกอนนุนบทว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยสดับมาแล้วในแสงกลับหมายความในแสงกลับได่ไม่เกิดแสนชาติ เกิดไม่รู้เท่าไรในแสงกับเขาไม่เคยสนใจเลยไม่ได้คาว่าพุะโทธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมสังโฆคือพระสงฆ์ไมไ่เคยสนใจมาก่อนเขามีอยู่แต่ก็ไม่ได้เคยสนใจไม่ฟังเดินเช็นพระเจ้าก็หลีกสงฆนกยกมือไวคงคงคงหว้โค้งหัวให้ก็ไม่มีแต่บอกว่าเขาแสงกับแอนเนกมากมายเหลือเกิน ไม่รู้กี่เท่าไรกลับจําไม่ได้เป็นแสงแสงกับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรได้อันนีจ้จำมาดีนะบรรดาพระทั้งหลายเนรทั้งหลายญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ไปพูดธรรมธรโมกับคนแล้วก็จะอาจจะถูกด่าก็ได้ดูฟังเขาก่อนถ้าเขาสนใจก็บอกเขาไม่สนใจยอย่าบอกบอกแล้วเขาไม่เชื่ออย่าฝืนเลิกพูดเลยเนรเปล่า นบสัตตนาลัยเหล่านี้ฟังจิตอาชาในคาถาไม่ติตอาชาในคาถาเจตอาาเนะครับแปลขวางจิตอาชาไม่ได้แปลว่าหมาไปของขวางเขาบอกสัตติจิตอานาเวลาวันเดินไม่หัวตั้งมาหัวเดินไปสุนไปขนณะขวางทางขางโลกติตอาชาในคาถามีอย่างต่างๆนั่นแหละมาแล้ว เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จริงเที่ยวไปขับร้องบ้างฟ้อนรําอยู่บ้างและก็ในที่ทั้งหลายที่มีโรงดื่มสุราคือเข้าไปลงเหล้าบ้างลรงยาฝิ่นลงเฮโรอีนบ้างสนามที่เป่นเป็นต้นเขาพอใจแบบเนี้เรื่องการฟังธรรมไม่ไหวนี่ผููฟังไปแล้วก็คิดไปเลยนะบางทีบางคนเราเห็นเขามีศักดิ์ศรีใหญ่ ในเรื่องธรรมะธรโมโสินธรรมในความดีนี้เขาไม่สนใจบางคนถึงถึงก็ทำลายหลักสูตรความดีของการถึกษาไปแล้วก็มีนี่คนประเภทนี้ไม่ติดจะฟังเลยฟังไม่ฟังยังทำลายด้วยท่านนลกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถจะฟังทำได้ท่านย้อนกลับอีก พระผู้พระดำดาบนั้นสมเด็จพระสัมม า, ากกสัมพุทธเจ้าก็าทรงตรัสแก่พระอนุนว่าอานันทะโดยก่อนอนุนอุบาสบกทั้งหลายเหล่านี้อาศัยราคะคือความกำนักยินดีในของสว ย, สวยงามนิ่มนวลอาศัยโทสะคือเมรมุไม่ชอบใจในรมที่ขวางนิดิดและอาศัยโมหะคือความหลงห้ความโง่ความติด อาศัยตัณหาคือความทยายานอยากจึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้อย่าลืมนะราคะติดในความรักแงแกลโทสะไม่ชอบใจโมหะโง่ทึมทึกแล้วก็ตัณหาอยากกิเลสหนะัก ท่านบอกว่าชื่อว่าไฟเช่นเดียวกับไฟคือราคะที่เราไม่มีไฟที่จะเหมือนกับไฟโทสะไม่มีไฟใดที่เหมือนไฟโมหะเราก็ไม่มีนี่ก็เยื่อใหญ่ใดจะเหมือนกับเยื่อใหญ่ตันหาไม่มีท่านบอกไฟใดไม่แสดงซึ่งเท่าทาันใช่ไหมไฟใดที่ไม่แสดงแม้ถึงเท่าขี้เท่า ย่อมไม่สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกลับให้พี่นาฏคือไฟบรรลัยกันที่อาศัยความปรากฏแห่งพระอาทิตย์เก็ดวงมันเกิดขึ้นย่อมไม่โลกไม่ให้วัตถุอะไรอะไรเหลืออยู่เพียงนิดเดียวไม่หมดถึงแม้กระนั้นไฟนั้น ย่อมไม่ในบางคราวเท่านั้นท่านบอกไฟมันอะไรกันแล้วไฟอื่นมันไหมเฉพาะเวลาเวลาถึงเวลามันจึงไหมไม่ถึงเวลามันไม่มาแล้วการที่ไฟราคะจะไหมย่อมไม่มีไม่ตลอดเพราะฉะนั้นไฟเสมอ้ว่ราคะก็ดีไฟเสมอ้วยโทสะก็ดีไฟเสมอ้วยโมหะก็ดี ไม่มีไฟใดมาสม่ำเสมอได้มันไหมตลอดเวลาขณะที่มีลมหายใจแล้วก็ชื่อว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหาก็ไม่มีดังนี้จึงต่างทรงตัดประขาถาว่าเกี่ยวพิส ก, ก่อนห้องกลางหนังสือไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผูดจับเสมอด้วยโทสะไม่มีข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้ำเสมอตันหาไม่มีด้วยเวลหาห้านาทีมันแสดงว่าธรรมเดชนาจบบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไม่ตามตามกันตอนนี้ความมุ่งหมายที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดไอ้เรื่องการตัดกิเลตตันหานะ่ะผมก็สนใจเหมือนกันจะไม่หนักนะักความสนใจก็มีว่าที่ต้องการเอาเสือเกริงันจะผิดมันดึก เพราะว่าต้องการนิสัยของคนอย่าลืมว่าคนที่จะละนิสัยได้จริงๆก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเขาสาวกละนิสัยไม่ได้ฉะนั้นบรรดาท่านหลายที่ฝึกกรรมฐ า, านได้แล้วสามารถทำธรรมทิพยญญาณให้ปรากฏคําว่าทิพยญญานเนี่ยจะเป็นนึกหลกตาเป็นทิพย์น่ยมีญาติโยามที่ราชบุรีวันนี้เอง มาบราลรบทำไมฉันจังไม่ได้ทิพทิพกุ ญ, ญานได้แต่อาศัยความรู้สึกของจิตความจริงทิพกุยานก็คือความรู้สึกของจิตทิพกุ ญ, ญานไม่ใช่ทิพเนตอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจนั่นก็หมายความไม่ใช่ตาทิพใจมันเป็นทิพมีความรู้สึกถูกต้องเหมือนกับตาทิพท่านได้แล้วเวลาเราต้องการจะดูนิสัยคน คนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้อำกําลังเของอาอธีตังสียานถ้าปุเพนิวาสามติญานมันดูตัวเราเองทบทนถ้าคนอื่นใช้อธีตังสียานญานอาดีตอยากจะทราบว่าคนนี้ในอดีตเกิดเป็นใครเกิดไปอะไรมาแล้วก็ดูนิสัยเดิม พอดูภาพเดิมมันเขาแสดงนิสัยจิตใจเปียงไงท่าทางลีลาเปียงไงชอบอะไรชอบสวยสดกุดงานชอบกินข้อสดข้องข่าไปกินผลไม้หรือมันนิสัยเรียบร้อยนิสัยกระโดกกระเดกอันนี้มันไม่มันไม่ทิ้งบางคนก็ชอบจัดดอกไม้บางคนก็ชอบจัดกรีบผ้าบางคนก็ฉุยชุยอะไรก็ได้เมื่อดูพบนิสัยชาติเดิมแล้วก็ถามเขา ยังไม่บอกว่าเราดูนะถามก็นี่ถามจริงๆเถอะชอบอย่างนี้ไหมชอบอย่างนั้นไหมเฉพาะจุดที่เขาชอบมาในชาตินั้นๆผมถามมาเยอะเรตรงเปลี่ยนทุกรายนี่ผมไม่ได้อวดผมพิเศษนะผมพอเห็นออแล้วผมก็ถามานี่ชอบงี้ไหมมีคนหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกศึกษาอะไรมาก่อน มองไปมองมาก็เห็นพระท่านมาบอกคนเนี้เคยเป็นช่างดอกไม้จัดดอกไม้สวยๆงามในสํานักมาก่อนสํานักคือในที่อยู่มาก่อนเพราะท่านบอกท่านยืนยันเพราะว่าถามถามที่ว่านี่เวลาชาตินี้ชอบจัดดอกไม้สวยๆแจก็ไม่รู้อาจัดสื่ออะไรชอบแม่บอกชอบชอบมากทกําเก่งด้วยนี่นก็หลายรายบางคนก็แล้วก็ถามว่าโอ้โหนี่โยม ตามปกตินี่ชอบทําอะไรว่องไวใช่ไหมท่านก็บอกยอมรับจะเห็นได้ว่าคนทุกคนเอาว่องไวทุกคนบางคนก็ยืดยาดมีมีบางคนเจ๊เข้าโหูเห็นปั๊บแหมคนนี้ด็เตอร์แฟบด อ, อร์แฟบแล้วด็เตอรมผงทักฟอกจะมีราคาจริกแต่คาว่าราคาจาริตเนี่ยไม่ใช่มากๆในการมงคล คือเป็นคนชอบสวยชอบงามชอบมีระเบียบทุกอย่างบางต้องมีระเบียบเครื่องแต่งกายต้องสะอาดทุกอย่างสะอาดหมดทางานทุกอย่างต้องตรงตามเวลาขึ้นชื่อระเบียบยกให้ผมเลยยกตั้งแต่งตังต้งอาชีวด็อกเตอร์แฟบคือคนสะอาดมากสะอาดทั้งวัตถุสะอาดทั้งร่างกายสะอาดทั้งกิจการงานที่จะต้องทาตรงคนตรงเวลาเป็นคนสะอาด นี่พอดูรีลาบแบบนั้นก็ถามว่าชอบอย่างนี้ใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นั่นเขาบัรดาท่านหลายวิชาความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้จงใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราใครก็อยาออดอุตริมนุสธรรมก็ช่างเขาเถอะเรารู้เราทำเราทำได้ถ้าหนับคนที่ทำไม่ได้หูหนวกตาบอดเขาจะว่าคนตาดีหูดีมันเลวก็ช่างของมัน ไปคำนมืออะไรกันความรู้ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทางคีพระพุทธเจ้าให้มาไม่ได้ใช้กันแล้วก็จะไปว่าคนที่เขาใช้แต่เหมือนกับคนขี้เกียจไม่มีอะไรกินไปอิจฉาที่ยามค ง, งขยันที่เขามีกินมันก็ไม่ถูกความเลวของความเลวของเขาเราอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าสอนอยังไงพยายามทําไม่ได้มาก ก็สักได้สักหนึ่งในล้านในสมเด็จสัมมาพุฒเจ้าให้ก็ดีถมไปเวลานี้ก็ขอขอบใจบรรดาญาติโยมครวญวาดในเก่งกันมากจนกรทั่งเจอพระในรก น, นรกที่รู้จักกันเป็นแถวเป็นแนวเข้าใจว่าต่อไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความเข้าใจในพระเพื่อการทำบุญยิ่งขึ้น ท่านยานบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรราดาแานพุทธศาสนิกชนและวิสุทธิสมณี น, นผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี